พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่านเคยกล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากที่สุดแต่ไม่มีใครสนใจศึกษาปฏิบัติจึงไม่มีใครรู้เห็นถึงความอัศจรรย์และความเลิศเลอของศาสตร์ขแขนงนี้ ผู้ที่เรียนจบทิชานี้จะเรียกว่าเรียนจบไตรภพหรือจบความรู้ทั่วสามแดนโลกธาตุก็ไม่ผิดดังท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นอันหนึ่งพุทธศาสตร์เป็นอันหนึ่งวิทยาศาสตร์นี้ไปทางด้านวัตถุไม่ใช่หรอส่วนพุทธศาสตร์นี้ไปได้ทั้งวัตถุ ไปได้ทั้งนามมรทำคือจิตใจล้วนๆพุทธศาสตร์เป็นศาสนาที่สังหารได้จริงๆในเรื่องทุกทั้งมวลที่เกิดกับสัตว์ทั้งหลายสังหารออกจากจิตใจได้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นผู้หายขาดโดยสิ้นเชิง เมื่อแก้อันนี้ตกเมื่อแก้อันนี้ไม่ตกสามแดนโลกธาดนี้จะเป็นป่าช้าของสัตว์ทางนั้นเลยเกิดตายเกิดตายกองกันทุกข์โถมกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยเนี่ยวิชาธรรมจึงเลิศเลยไม่มีใครตามได้แก้ได้คาดได้เรื่องพบเรื่องชาติทำเท่านั้นที่จะแก้ได้ นอกนั้นไม่ได้อันนี้เป็นความลึกลับมากของภพของชาติความเปิดเผยคือการเกิดตายอย่างนี้ด้วยกันเห็นชัดเจนแต่สาเหตุของมันที่จะพาให้มาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไงนี้ไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครเรียนรู้ได้เลยละ่ะ นอกจากทางด้านจิตภาวนาพุทธศาสนาโลกนี้เป็นโลกที่ลึกลับมากสัตว์โลกมองไม่เห็นเลยแม้ที่สุดเป็นหมอก็มองไม่เห็นหมอที่เรียนแพทย์เรียนอะไรนี้เป็นวิชาทางส่วนร่างกายกับโรคต่างหากไม่ได้เรียนวิชาทางด้านจิตใจเรียนแพทยศาสตร์เพื่อเป็นวิชาแก้โรคแก้ภัยไปหมด ไม่ใช่แก้กิเลสมันต่างกันอย่างนั้นนะทีนี้วิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร์นี้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงโดยตรงไปเลยเชียวจนเข้าถึงจิตศาสตร์หมดร่างกายนี้เข้าสู่จิตเรียนทะลุถึงจิตเลยแต่วิทยาศาสตร์ทางแพทย์นี้เขาเรียนจบเพียงแค่นี้เขาไม่ได้เข้าไปถึงขั้นนั้นนะ วิทยาศาสตร์อันนี้ใครพูดไม่ได้ด้วยพุทธศาสตร์นี่เข้าถึงขั้นจิตศาสตร์นี้แล้วไม่มีใครรู้ได้ด้วยถ้าไม่ได้ทำทางภาคปฏิบัติรู้ไม่ได้เลยบอกว่าไม่ได้เลย ต, ตีตันขนาดนั้นถ้าเป็นทางด้านจิตตภาวนาเรียกว่าทำทางด้านจิตศาสตร์ล้วนๆแล้ว รู้ตามไปจนถึงถอนรากถอนโคนมันออกได้หมดไม่เหลือไม่มีเหลือเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถอนท่านเรียนจบแล้วเอาอันนั้นมาสอนโลกที่ควรจะพูดขั้นนั้นท่านก็ลงถึงขั้นนั้นเลยผู้ที่ยังไม่ควรได้ขั้นไหนก็ให้อยู่ตามขั้นภูมิของตนของตนไปที่ควรจะไปได้ ก็ถอนไปเลยนี่ท่านเรียนจบอันนั้นละ่ะพุทธศาสนาเราจึงไม่มีอะไรเลิศเลอเกินเรียนจบไตรภพบว่างั้นเลยนะจึงเป็นวิชาที่ลึกลับมากที่สุดไม่มีใครเรียนละ่ะใครจะเรียนที่ไหนก็ตามเรื่องโลกโลกเรียนมาจบชั้นไหนภูมิใดมันก็เป็นวิชาของกิเลสวิชาของวัฏจักร มันไม่ใช่วิชาของวิวัตจักรถอดถอนภพชาติออกได้เหมือนวิชาธรรมอันนี้สำคัญมากนะ